จะอธิบายธรรมะของนตื้นในใจฟังคล่องตื้นแต่ขาดไม่พิจารณาก็เป็นของตื่นไปถ้าพิจารณาแล้วก็เป็นของลึกซึ้งโดยส่วนมากคนเราไม่ไปเอามากำหนดพิจารณาเห็นเป็นเรื่องเป็นประเพณี ทำ ส, สืบสืบต่อกันไปศาสนาที่ไม่ถารวรฐานะศาสนาที่ไม่ตั้งมั่นก็เพราะเหตุนี้เองคนไม่ตั้งใจเอาจริงจริงอย่างจังธรรมะที่ท่านแสดงสอนไว้นั้นด้วนแต่ทั้งของจริงทั้งหมดแต่เราไม่เอาจริงเอาจังเดี๋ยวชักตัวอย่างให้ฟัง ดังแล้ ว, รล ว, วกราบผาแล้วไหว้กราบกราบไมใทราวิญญูหนความกาบาการกราบนั้นประสงค์อะไรไม่คิดคำหนึ่งถึงเลยกราบที่หนึ่งแล้วเลืถึงคุณพระพุทธเจ้าเที่ยวสองแล้วเลืถึงคุณพระท้าวทั้งเที่ยวสามแล้วเลื่อนถึงคุณพระสงฆ์ ถ้าหากว่าตั้งใจจริงๆจริงจนึกถึงคุณพระองค์จริงๆนึกท้าที่สองพระองค์จริงๆนึกถึงพระสงสาวของพระท่านปฏิบัติดีแล้วจริงๆอาจารย์สามข้อแถวนี้แหละเป็นนวัตถุตองมดที่เราทําไปที่จะทำให้สิ้นสมาธิปัญญาตั้งต้นสามอย่างนี้ถูกไปแล้ว อันนั้นก็ถูกไปหมดถ้าตั้งต้นทั้งสามอย่างนี้ไม่ถูกก็เลี้ยวไหลบางคนกราบกราบไปมือกราบไปกายแต่ตายเล้ยวลูกเล็กลูกเล็ ก, ลลกไปโน่นไปนี่อะไรต่างคิดใสคิดฝากรนาสงสารเหมือนกัะเด็กเด็กทำเล่น เขาไม่ใชของเงินเหลียญนะลึกถึงคุณพระพุทธศาสนาผสมเรื่องของลึกซึ้งสุดมากท่านที่ลึกถึงคุณพระพุทธศาสงาผลึกซึ้งถึงจนกระทั่งน้ำตาตกตาไหน้ําตาหยดย้ยอยออกไปด้วยการถึงพระคุณจริงๆอย่างนี้เป็นตัวอย่างตัวอย่างให้ฟัง เมื่อทำเป็นเดสัตั์แป้ ว, ว่าทำไม่รู้จักความไม่ต้องรู้จักความประสงค์มันก็เป็นการเลิกเทิร์เลื่ไหลรืหมดว่ทาทนีีจะอธิบายถึงเรื่องงข้อดทำที่ว่าเป็น้าหากิจนารึกก็เป็นของลึกเจนาืุนก็เป็นของตื้น อย่างที่ท่านนิยมนับถือกันเวลาคนตายชักบังสกุลเรียกาชักบังสกุลอานิจยาวะเตสังคาาอุปอัฏฐวายัตมนีโนอุปชิตตวานิรรชันติเศสังวุปาสนสุโขถ้าท่านชักบังสกุล บางทีพระก็ไม่รู้เรื่องครับนมก็เข้าใจว่าบางสกุลทำบุญอเยบางสกุลนั้นชักบางสกุลคนตายบางสกุลในหมายความทั้งชักบางสกุลคนตายให้ได้บุรความประสงค์นะคัตัวเองก็เลยเฉยคิดนึกเกลียเลย ความเป็นจริงแล้วนะ้นกราณอาจารย์ท่านสอนให้ชัดวางศกุลคนเป็นต่างหากเอาคนตายมาเป็นพยานท่านแจชักวางศกุลอย่างนั้นไม่ใช่ชักให้คนตายคนทำเรื่องอะไรแม้แต่ทำบนทุกสิ่งทุกอย่าง ม่อคนตายมดไม่คิดว่าทําบุญเอาเราเราทําบุญได้บุญแล้วอุทิศส่วนบุญให้คนตายอุทิศไม่ใช่ทําบุญใน้คนตายอุทิศให้ต่างหากทาบุญให้คนตายมางคนให้คนตายท่านมดอุทิศส่วนบุญให้เราทําบุญอะไร ให้ขา้าให้ปลาอาหารตลอดค่าผ่อนทุกสิ่งทุกประการเราทําบุญอันนั้นแหละอนิสงส์อันนั้นแหละที่เราเกิดศรัทธาเรื่องไปเพื้มปิติแล้วทําบุญอันนั้นแหละและอ น, นิสงส์งอันที่เราได้นะนะั่นแหละส่งไปให้คนตายจะค่อยถูกทาบุญในหะ้คนตายทั้งหมดตนเองเไม่เอาอะไรทั้งหมด อย่างนี้ไม่ถูกทํานทำไม่ถูกเกินเลยคิด ก, ก็เลยคิดไปบนต้นก็เคยทาบนนี้เป็นไปรับศีลก็ดีสมาธิปัญญาศีลเลยคิดว่าท่านกอนิจจาคือให้พิจารณานะนี่ ยาวัตสังคาราเป็นคำพูดที่คนรู้จักภาษากันนี่แหละพูดได้รู้เรื่องกันนี่แหละถึงว่าับาแปรบารีอันนั้นไม่ได้ก็ให้พิจารณาให้เข้าใจอธิบายเข้าใจอย่างที่ว่าเดียยู่เดียวนี้แหละถึงขราวที่ชักบางสกุลกดจาย แล้วก็ให้ไิจจรนาอย่างที่ว่านี่แหละอ น, นิจจ า, าระซังขานคือรูปนามพอดีรูปได้เก็บตัวของเรานามได้ เ, เก็จิตใจพอดีอันที่มันปรุงมันแต่งมันคิดมันนึกที่มันสงสยัยคิดไปมาต่างๆปุงแต่งให้เป็นโน่นเป็นนี่อะไรต่างๆ เทียกว่าสังขารสังขารตัวนี้แหละมันไม่เที่ยงไม่เที่ยงอย่างไงเกิดมาตั้งแแปลปวนตั้งแต่ต้นนู่นล่ะตั้งแต่ปฏิสนธินี่ล่ะแปลมาโดยลําดับจนทางข้อออกมาเติบโตขึ้นโดยลำดับทนั้นเรียกว่ามันไม่เที่ยงจนถึงที่สุด ก็แก่เท่าชาร า, ามราณะไอมรณภาพถึงตายนะเรียกว่าตายนี่มันแปรยอยู่อย่างนี้แปรควร อ, อย่างนี้อันนี้ตั้งขานจิตคิดปรุงนั้นปรุงนี่แต่งโน้นแต่งนี่นนนนนทุกสิ่งทุกประการมันในเวลาพักผ่อด แม้แต่นอนก็ฝันไปคือสังขารนั่นแหละไม่หยุดไม่ยัง่งทั้งนี้เราสังขารในเรื่องของไม่เที่ยงอย่างนี้แหละท่านพิจารณาเรื่องของไม่เที่ยงท่านจะบอกว่าอานิจจาชือของไม่เที่ยงก็จะสังขารสังขารในเรื่องของไม่เที่ยงเนอคนที่เห็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ของไมง่ได้ ความาลึกซึ้งเนี่มันไม่ใช่อของง่ายๆที่เห็นสังขารรูปนามนี่เป็นของไม่เที่ยงนั้ยเป็นของละเอียดที่สุดถ้าพูดถึงเรื่องนิพพานก็เป็นปนิพพานยากมันเหลือเหนือกว่าสมถาก็เสียแล้วจนนิพพานเป็นป น, นิพพานยับ ถ้าพูดถึงเรื่องใิปัศนาญาณนะเข้าถึงมรรคผลิภาน น, นนะไม่ใช่ของง่ายง่ายลึกถึงละเอียดถึงขนาดนั้นจึงมาเป็นของลึกละเอียดแต่เรากลับมาทำเป็นเลนเลนเชียมันไกลทัาไกลหนาไกลจากพุทธศาสนาทำซักได้ ว, ว่าเป็นประเพณี ทำแต่แค่ว่าทำไม่ได้คิดนึกหรือไม่รู้สึกพิจารณาอะไรทั้งหมดอุปัฏฐายธรรมโนคือมันเกิดขึ้นแล้วมยาย่อมดับไปฉังขา น, นังหลวงมัไม่ว่าอะไรทั้งหมดอะรูปนามก็ตามเลยอย่างที่ว่ามันนี้แหละทำให้ควาไมไม่เที่ยงนั่นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป ข้านี้พูดถึงเรื่องการเกิดการดับคือขอาไม่เที่ยงนะนะเกิดดับก็ดีเกิดแรกจะดับไปเกิดนี้กจะดับดับไปเกิดนี้เกิดที่นี่จะดับไปที่นี่นะก็ไปโผล่ไปนวดก็เกิดนวดแลกิดดับนวอีกเกิดดับเกิดดับอางนี้ตลอดเวลาอย่างรูปกายของเราเกิดมาในโลกอนี้ดับไปในโลกอนี้อันนี้เรียกว่าเกิดดับเกิดที่ไในดับที่นั้น สังขารจิตเกิดที่จิตเน่นนะดับปรงที่จิตเนนะี่ยะมันเกิดขึ้นมาแล้วโพขึ้นมาหน่อยเต่มันไม่ทำอะไรก็ดับตรงไปในชี่นั้นเรียกว่าอุปัฏฐาวะารอย่างโน้มมันเป็นธรรมลองรู้ที่เห็นเป็นธรรมไมจใช่ของง่ายๆเห็นสต่แ่ว่าเกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่ใช่เราไม่ใช่เขา มันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเกิดขึ้นแล้วดับอยู่อย่างนั้นเราเข้าใจว่าตนวัตตัวเราเข้าใจว่าเกิดขึ้นมาเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขานี้เราเข้าใจผิดต่างในใช่ตัวของเรานะเขาเกิดเองเป็นเองแล้วก็ดับเองเป็นดับไปเองไม่อยู่ในอำนาจดิสัยของเราเรายังเกิดขึ้นมาแล้วถือตนถือตัว ถือรูปถือน้ําว่าสดสวยงดงามว่าเป็นหนุ่มเป็นแก่สารพัดทุกอย่างถือเอาใช้จนถือร่างคือมั่นเนาะถือมันถือแล้วเอาใช้จริงๆรินะจังใครมาว่าก็โรกรธเขาไม่ว่าต่อเกลียดเขามาว่าต่อรูไม่พอใจโรกรธต่อชื่อจริงเขาว่า มังเกิดดั ง, ดงหารเขาไม่ได้ว่าเร า, าเรานไป ย, ยึดมันเกิดถูกคนจริงเขาว่ามันเกิดขึ้นมาแต่ทหารมีป้ากดขึ้นมานังทหารคนที่ว่าเรานี่ไปเกิดไปถือเราเลยถือเป็นตนเป็นตัวขึ้นมาอุปัฏฐาวายธ า, ามิโนโท่านจังหวะมันเป็นธรรมมันหนึ่งเท่านั้น่ะ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 จึงจกเห็นธรรมถ้าไม่พิจารณาเป็นถามเขาไม่เห็นธรรมหรือให้เป็นการพิจารณาเปงนเรื่องโลกก็เลยไปตามโลกหมดทุกสี่งทุกอย่าง <c oughs> พิจารวานี้รู้ชั้นติเกิดไปแล้วก็ดับไปเกิดไปแลก็ดับไปอย่างนั้นเตสังรูปาสโมสุขโข ความเข้าไปแล้นับดับเสื่อมซึ่งสังขาทั้งหัวเป็นสุขข้าเห็นอย่างนี้มัจะเป็นสุขไปหรือมันจะไปถืออะไรมันมีอะไรเป็นธรรมทั้งหมดมันจะสุขไปหริ์คนที่เห็นเป็นธรรมเป็นสุขคนที่เห็นเป็นโลกเป็นทุกข์เท่านี้แหละปิจนาทรเท่านี้แหละปิจนากรรมฐาน เรามปฏิบัติในเพื่อปฏิบัติธรรมนี่แหละให้เห็นแต่เห็นไม่ทำเนี่ยเราเกิดเป็นโลกแล้วก็ยากมันเป็นเราเกิดเป็นโลกเหรอแต่ว่าให้พิจารณาเป็นธรรมเป็นอนิจจพิจารณาอนิจจแค่นั้นเนอะเลยเป็นอนัตตาเลยเป็นทุกขังไปตามันเกิดตัมเกิดับไม่ได้ว่าทุกขังมันไม่ใช่ของเราห่ะมันเป็นเองของมันในฐานะเป็นอนัตตา อันนี้จ้งแล้วเป็นทุกข์หาในตากในความมดในตัวจึงว่าธรรมทั้งหลายนั้นเป็นของละเอียดลึกซึ้งก็ดขมมากถ้าหากว่าเข้าใจพิจารณาแล้วแต่ละบทแต่ละบาทแต่ละขอยกระทงควมนี้ลึกซึ้งกุดผมมากถ้าหากเราฟี่นาตื้นๆก็เลยไปเห็น ไม่คือเป็นธรรมเนียสงบธรรมเนียวอเพนีอย่างอนิจจาเนี่ยเป็นตนมนุษย์าบางสกุลให้หน่อยะอะภาพกับอานิจจาถ้าแสงค า, าราปสวายกคามิโนไปคิดวานิชเัญติเท่านั้นกบพอเล้ไม่รู้เรื่องราวเลยผู้ฟันไม่รู้เรื่องพาพทไม่รู้เรื่องด้วยจัง ศาสนาจะตั้งมันเนีศาสนาจะท้าวอนลงไปได้ไยังไงทาไปก็เพนีทําเป็นมีสืบสืบจนไปให้เจอเอาละอธิบายท่นนะี้ตั้งใจดำดวงสงบความสงบจากอารมณ์ทั้งสวงหมด ไม่นีอารมณ์อะไรห่วงใหญ่ไดตัวลองคิดดูอ่ะมันจะเป็นไงใจนะความคิดท่งสายไม่มีอะไรละคือสังขารภายในเรียกว่าสังขารคิดใจไม่คิดไปมาไม่คิดส่งไปบ้านไปชอบไม่คิดถึงลูกถึงหลานไม่คิดถึงการงานอะไรพวกเวลานี่คิดแล้วเราก็ไม่ได้ํามเรา อย่าไปคิดเลยเวลาจะคิดยังโมเถนอกกว่นี้ยังก็ไปคิดเวลานี่ไม่คิดอะไรทั้งหมดเมื่อไม่คิดมั น, น, นจึงเหลืออะไรขันตัวใจมันยังเหลือใจอย่างเดีมื่อเหลือใจมันก็เป็นธรรมได้เลยนะทัศนใจนั่นแหละของเป็นกลางของว่างนั่นนะอันนั้นแหละตัว ปุามะเหตุนั้นเราเมื่อจะทำความสงบก่อนที่จะทำความสงบถ้ายังจิตยังไม่สงบก็ อ, อบรมด้วยการปฏิกรรมเราปฏิกรรมอะไรก็ได้พุทโธหรือว่าอาราขังนาปรารติอะไรก็ได้อบรมมนะันน ให้จิตไปอยู่ในนั่นให้จิตไม่อยู่ในคำบริกรรมเราอยู่นั่นไปก่อนเพื่อจะเป็นเครื่องอยู่เมื่อจิตอยู่ที่นั่นแหละไปจับว่าจิตตัวนั่นแหละตายาตัวมันอยู่นะตัวมันมันมากำหนดออกถูกไหมจับว่าตัวนั้นให้อยู่คำบริกรรมมันหายไปเองถึงไม่หายก็ปล่อยว่า เราจะเข้าถึงธรรมะเพราะจิตคนเรานั้นมันสับสายไปสรรารพัดทุกสิ่งทุกการไปทั่วทุกแห่งหนมันไม่อยู่คงที่ตัวของเราจะแท้ก็ยังไม่เห็นจิตของเราซ้ำอีกไม่ทราบว่าจะทำามันจะเป็นธรรมได้อย่างไร มันคิดอะไรก็ไม่รู้เรื่องมันตรงสายก็แน่ก็ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจเรื่องไม่เข้าใจก็ไม่เห็นทรรมน่าดีเมื่อไม่เห็นทรรมก็เจอปฏิบัติตนได้อย่างไงล่ะเราไม่เห็นจิตของตนเราจะไปละความชั่วได้ไงร้อรักษาความดีได้ได้อย่างไงจิตมันคิดชั่ว เราเห็นเรายังคอยละความชั่วคิดดีเห็นความดีเรายังคอยาความดีน่อยนั่นยิงได้จีวาหัดฮัดข้อนาหัดข้อนาคือฮัดหาจิตนั่นเองมันไม่เห็นจิตก็ไม่เป็นภาวนาฮัดข้อนาคือเห็ุฮัดเป็นจิต ฮัตแท้จริกงก็คือฮัตละข่มชั่วข่มชั่วที่จิตมันคิดชั่วมันมันไม่มันไม่สบายใจทามาคิดดีก็สบายใจเขาคิดชั่วนั้นละถอนได้มันยังค่อยดีขึ้นคนเราถ้าไม่เห็นใจไม่มีการดีขึ้นเลยไม่เห็นมีการดีอะไรขึ้นมาเลยมันนี่แหละฮัต เพราะหนาทางสมาธิมันดีอย่างนี้แหละมันเป็นประโยชน์อย่างนี้แหละอาางใจทำเลยครับ